ก่อนขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านก่อนนก็ขอต้อนรับทุกท่านนะที่อุตส่าห์เดินทางไกลามาจากกรุงเทพมาถึงชัยภูมิก็ถือว่าไกลแล้วนะวจากชัยภูมิต่อมานี่ท่านก็คงทราบด้วยตัวเองว่ามันบางช่วงบางตอนก็อาจจ ะ, ะทุลักทุเลบ้างซึ่งที่จริงแล้วเนี่ย มันก็ดีกว่าเดิมเยอะแล้วนะมันก็ดีกว่าเดิมเพราะว่าสมัยก่อนเส้นทางจากแก้งครอมาถึงนี่ก็เป็นทางลูกรังสมัยเทตมาใหม่ๆนี่ก็เป็นลุ้นเป็นบ่อยเยอะแต่ตอนนี้ก็เท ป, ปูนกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะจนเกือบจะถึงหน้าวัดเลยทุกท่านดูแลแต่ ทำงานในด้านกฎหมายสำนัก ง, งานคณะกรรมการกฤษฎีกานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันที่จะเสริมสร้างนิติธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนิติธรรมนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่รองรับความสงบสุขถ้าบ้านเมืองไม่มีนินติธรรมแล้วเนี่ย ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นและสิ่งหนึ่งที่ทำให้ระบบนิติธรรมปั่นป่วนนะหรือไม่ทำงานนะก็คือการคอร์รัปชันหรือการทุจริตนะอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่นะของบ้านเมืองทุกวันนี้ที่จริงท่านที่ทุกท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะของ ประเทศต่างๆในโลกนะยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนนี่ก็เป็นมหาอำนาจมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าความวุ่นวายปั่นป่วนในประเทศจีนตั้งแต่สมัยใดยุคใดก็ตามเนี่ยมันก็มักจะมีรากเง้ามาจากการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งที่จีนนี้เป็นประเทศหรือเป็นอาณาจักรที่มีระบบราชการที่เข้มแข็งที่สุดนะมีมาแต่นายตะไลแล้เป็นระบบที่ในเรื่องคุณธรรมความสามารถมากกว่าเส้นสายหรือว่าชาติกําเนิดนะระบบราชการของจีนตั้งแต่ทำไมอาจจะ ถอยหลังมางไปตั้งแต่จินซีฮ่องเต้นี่ก็จะในเรื่องคุณธรรมความสามารถมากกว่ามากกว่ า, าสถานะหรือว่าแหล่งกำเนิดคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะจะอยู่ซินเจียงกวางสี หรือว่าดินแดนไกโพลเนี่ยถ้ามีความสามารถสามารถสอบผ่านการแข่งขันที่เคยเรียกว่าจองหวนได้นะก็สามารถจะเป็นข้าราชการได้ไม่ต้องมีเส้นสายไม่ต้องมอีไม่สามารถจะใช้การาทุจริตได้แต่ว่าระบบอย่างนี้เข้มแข็งเพียงใดมันก็พังคลืนลงมาได้นะเพราะอะไรเนะก็เพราะการทุจริตนะ การช่อรับบางหลวงก็มีการพูดกันเสมอถึงคําว่าขุนนางกังฉินนะเจาเจ้าก็ประวัติจีนเปลี่ยนราชวงศ์แล้วเปลี่ยราชวงศ์อีกนะก็เพราะว่าไม่ใช่เพราะภัยจากภายนอกนะไม่ใช่เพราะอันตรายไม่ได้เกิดจากพวกมองโกหรือว่าพวกแมนจูนะซึ่งเป็นชนเผ่าต่างด้าว แล้วก็เป็นพวกที่เรียกว่า barbarian น, นะคือเป็นพวกคนป่าเขาเชืเ่อว่าคนป่าป่าเถื่อนะนนะอันตรายที่ทำให้ราชวงศ์เล้วราชวงศ์เล่าพังคือลงมาอาณาจักรพังพินาศเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าถูกลูกรานจากภายนอกแต่ว่าเพราะการทุจริตคอร์รัปชัน นะของพวกขุนนางนะที่ทำกันจนกระทั่งเป็นเป็นโรคระบาดขนาดสร้างกำแพงเมืองจีนนะกาแพงเมืองจีนนี่พวกเราใครไปเมืองจีนก็คงเห็นแล้วว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ว่าไม่สามารถที่จะกันกองทัพอย่างพวกมองโกลหรือแมนจูได้เลย ไม่ใช่เพราะว่าพวกนี้เขาปีนกำแพงเข้ามานะไม่ใช่เพราะว่าพวกนี้เขาใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มกำแพงทะลุนะไม่ใช่เขาติดสินบนคนเฝ้ากำแพงนะให้เปิดประตูเข้ามาง่ายนิดเดียวนะไม่เคยมีเลยหนะ้าที่ว่าบุกเข้ามายุดกรุงปักกิ่งได้เพราะว่าทําลายกำแพงพังไม่เคยมีมีแต่ว่าติดสินบนนะติดสินบนพวกขุนนางที่เฝ้ากำแพงนั่นแหละเปิดให้เขาเข้ามา โดยดุสเดีแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาถึงตัวราชธานีหรือตัวกรุงปักกิ่งหรือว่ า, เ, าเมืองหลวงต่างๆนี่นะมันก็เพราะมีการาช่อดับางหลวงกันมาอย่างยืดเ ย, ยื้อเรือ้อลังบางครั้งก็มีนำไปสู่การก ด, ดขี่รีดนาทาร้นประชาชน จนชาวนาต้องลูกลืกขึ้นมาราชวงศ์หลายราชวงศ์ของจีนเนี่ยเกิดจากชาวนานะเช่นราชวงศ์หมินเนี่ยก็ชาวนานี่แหละเขาทนไม่ไหวนะเขาก็เลยก่อการกรบฏเพราะว่าถูกรีดนาทาเล่นมากไม่มีอาวุธอะไรเลยแต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็เจ็บแค้นเหมือนกัน ก็เลยร่วมมือกันจนกระทั่งสามารถที่จะโค่นลมร า, าชวงศ์เดิมได้แล้วก็ตั้งราชวงศ์ใหม่เป็นอย่างนี้มาหลายหลายครั้งหลายครานะกะบฏชาวนาของจีนเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากแม้กระทั่งสูสีไต้เฮาก็เกือบจะเกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วเพราะว่าอ้าไมกเอสีไต้เฮาราชวงศ์ชิงก่อนสูสีไต้เฮาเนี่ยพอมีกบฏนะก็บดไท่ผิงโว้ย คนนี่ลูกเขือนเป็นล้านสามารถจะยึดครองนานนานกิ่งได้แล้วก็เตรียมจะไปยึดปักกิ่งแล้วแต่ว่าฝรั่งเข้ามาขวางกันซะก่อนเอาปืนใหญ่เอาปืนทันสมัยเข้ามาปราบจนหมดอันที่พูดมาเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะจะเป็นราชวงศ์หรืออาณาจักรก็ตาม แต่ว่าก็มักจะแพ้ภัยตัวเองไม่ใช่แพ้ภัยข้างนอกแพ้ภัยตัวนั้นคือว่ า, าถูกาการคอร์รัปชันทุจริตช่อระด บ, บงังหลวนกัดกินทำให้ตัวระบบอ่อนแอแล้วก็ทำให้มีผู้ลุกฮือขึ้นมาเพืนะ่อที่จะทำลายระบบนั้นให้ซึ่งอ่อนแออยู่แล้วให้พังพินาลงไปเหมือนกัเสาที่มันผูกกรอนเนี่ย มันผูกกรอบไม่พอมันยังมีคนเข้าไปไปทําลายเสาเนี่นอีกนะมันก็พังครื่ลงมาอาชงกมไทยตอนนี้นี่คอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศนะอันดับต้นๆเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เราทราบนะมันก็ทําให้การพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นไปได้ยากมากงบประมาณ ที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศมันก็ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะว่าล้วไหลนะมันล้วไหลตั้งแต่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยก็ได้ถนนนนทางที่พวกเรามานี่ถ้าออว่ามันไม่มีการคอร์รัปชันกันนะก็คงจะเป็นถนนที่ราบเรียบนะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อง่ายนะอย่างที่เราได้เจอ อันนี้มันไม่ใช่เป็นความลับอะไรเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่รู้กันว่าแม้กระทั่งอบตอก็ถูกโรครายนี้กัดกินเข้าไปนะในแทบทั้งประเทศการพัฒนาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยในภาครัฐไม่ใช่แค่ถนนหนทางไม่ดีแม้กระทั่งการจัดการน้ำนะก็มีปัญหานะก็เพราะการคอร์รัปชันโรงพยาบาล น, นะ ก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะเพราะว่าการคอร์รัปชันบางทียาก็ราคาเกินกว่าที่กำหนดตั้งร า, ราคายามันแพงเกินไปซึ่งมันก็ทำให้การให้บริการในภาครัฐนะไม่ทั่วถึงนะคนยากคนจนก็เดือดร้อนนี่ว่านี่ว่าเฉพาะในภาครัฐนะในภาคเอกชน มันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจเนี่ยจำนวนมากเนี่ยขาไม่สนใจจะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของเขาละไม่เป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าก็เพียงแต่ว่าติดเซ็นบนข้าราชการ อย่างเช่นจะขายคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่จำเปต้องมีคุณภาพก็ได้แท็บเล็ตไม่ต้องมีคุณภาพก็ได้ขอเพียงแต่ว่าเงินถึงก็พอพอเงินถึงก็ก็ได้สัมปทานหรือว่าสามารถจะขายสินค้าได้แม้สินค้าไจะต่ำกับสเปคหรือว่าล็อกสเปคอย่างไงเดี๋ยวนี้เนี่ยภาคธุรกิจเขาก็มีแรงจูงใจในการพัฒนาสินค้าพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการน้อยเพราะว่า พัฒนาไปก็ไม่ใช่ว่าจะขายได้ถ้าไม่มีทั้งเงินไม่ถึงคอมมิชชั่นไม่ถึงมันก็ไม่ผ่านอันนี้สิ่งที่ตามมาคือว่าพอสินค้ามีคุณภาพต่ำแต่ว่าต้นทุนมันสูงเพราะว่าต้นทุนส่วนหนึ่งก็ใช้ไปกับการจ่ายสินบนเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่า 30% แล้วอร์ซะมันไม่ใช่แค่ 5% 10% ไอ้สามปเซ็นต์นี้มันไม่ได้ไปไหนนะมันก็มากลายเป็นเป็นต้นทุนงั้นต้นทุนหรือต้นทุนของสินค้าก็ราคาแพงคุณภาพต่ําแต่ราคาแพงแล้วจะขายได้ไหมก็ขายได้กับราชการนะแต่ว่าไปขายต่างประเทศไม่ได้ไปขายต่างประเทศก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าของอย่างจีนของเวียดนามเขาราคาถูกกว่าเพราะข้าวแรงก็ถูกกว่าและเขาติดสินบนน้อยกว่าเรา นะเราจะไปแข่งในแง่ราคาก็แข่งไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ของเราแพงเอาแข่งราคาไม่ได้ก็แข่งคุณภาพสิอย่างเกาหลีเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ไปแข่งที่คุณภาพของเขาแพงแต่เขามีคุณภาพเขาก็พอสู้กับฝรั่งได้แต่ของเราคุณภาพมันก็ไปไม่ถึงเพราะว่าไม่ได้ถูกฝึกมาเพื่อเพราะระบบมาไม่ได้สร้างมาให้เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพ เราใช้วิธีการยัดยัดเงินใช้เส้นดังนั้นคุณภาพของเราสินค้างเราก็มีคุณภาพน้อยแม้แต่ข้าวนี่ไปขายต่างประเทศข้าวหอมมะลิก็ยังยัดโน่นยัดนี่เข้าไปนะเพื่อให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นหรือว่าปลอมปลนเข้าไปบางทีก็มีสารเคมีเยอะแต่ก็ผ่านเพราะว่าการทุจริตในฝ่ายที่ตรวจสอบ อันนี้มันก็ส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเริ่มจะถดถอยแล้วนะเริ่มจะถดถอยเพราะว่าไปแข่งกับไปแข่งด้านราคากับกับพม่ า, มากับเวียดนามกับขเขมรจีนก็ชักจะไม่ได้แล้วส่วนจะไปแข่งคุณภาพนะก็มีทางสู้สู้เกาหลีฟิลิปปินส์เกาหลีไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นได้แล้วเราจะขายใครนะ นะก็คงกลับมาขายภาคราชการนะราชการก็เอาไปให้โรงเรียนเอาไปให้เด็กนะมันก็ไม่มีคุณภาพทั้งนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็นำไปสู่ค่านิยมที่เสื่อมถอยนะเดี๋ยวนี้นี่เมืองไทยก็ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจตกต่ำเอ่อเศรษฐกิจไม่พัฒนานะความสามารถในการแข่งขันเราลดน้อยลง ในแง่ของจริยธรรมคุณธรรมก็เสื่อมถอยลงเพราะว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันก็นําไปสู่การทุจริตในรูปแบบอื่นมันเป็นเรื่องเดียวกันนะการทุจริตในภาคราชการการทุจริตในภาเสกับภาคธุรกิจกับการทุจริตในห้องสอบการการจ้างคนทําวิทยานิพนธ์นะหรือว่าการซื้อเกรดนะ การซื้อการซื้อบัตรการซื้อใบขับขี่แล้วก็บัตรอะไรต่างๆมากมายโดยที่ไม่ต้องไปไปสอบเองมันเรื่องเดียวกันเลยนะการทุจริตการชัร่งระบางหลวงกับการโกงข้อสอบเนี่ยเรื่องเดียวกันนะการติดสินบนกับการซื้อวิทยานิพนธ์หรือจ้างคนทาวิทยานิพนธ์เรื่องเดียวกันนะ เพราะว่าพอทุจริตคอรัปชันกันแพร่หลายเนี่ยคนก็ไม่เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์จริต ใ, ใครๆเขาก็ทำใครๆาก็ทกันนักเรียนก็ทำบ้างนักศึกษาก็ทำบ้างพระก็ยังทำเลยนะทีซื้อสมบัศักดิ์เนี่ยส่วนทหาร ข้าราชการก็ซื้อตำแหน่งมันเรื่องเดียวกันเลยนะถึงแม้ว่าอากัปริยาจะแตก ต, ต่างกันอันนี้คือโทษหรือประหาของการคอรัปชันนะซึ่งสุดท้ายก็ทำให้บ้านเมืองวุ่นวายและที่ปฏิวัติรัฐประหารก็เหตุผลข้อหนึ่งที่อ้างกันก็นกคือเพราะมันคอรัปชันกันมากคณะการเมืองคอรัปชันกันมากซื้อเสียงการซื้อเสียง การขายเสียงนะก็ถือเป็นคอรัปชันแบบหนึ่งเพราะนั้นอย่ามีมาเลยการเลือกตั้งนะหรือถึงจะมีก็ต้องรอปฏิรูปก่อนนะั้นบ้านเมืองเรา ป, ประชาธิปไตยก็ไม่ก้าวหน้าก็เพราะคอรัปชันมันก็เลยตกอยู่ในวงจรอุบาทนะเลือกตั้งตั้งรัฐบาลแล้วก็รับประหารปฏิวัติแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ นั่นแหลมาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะการคอร์รัปชันทางานเราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็เป็นเรื่องที่น่า ย, ยินดีนะที่สํานัก ง, งานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความสําคัญกับเรื่องของพุทธศาสนาโดยโดยหน้าที่เนี่ยสำนัก ง, งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ มีหน้าที่ที่การทำให้กฎหมายเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ดีแล้วก็ถูกหลักนิติธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยป้องกันหรือป้องปรามการคอร์รัปชันได้ทุกวันนี้เนี่ยกฎหมายก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะในการที่จะระงับยับยั้งป้องกันการคอร์รัปชัน แต่ว่ามันไม่พอนะมันไม่พอถึงแม้ว่าความจริงจะมีอยู่ว่ากฎหมายที่ละลวมนะหรือว่าไม่มีการใช้กฎหมายอย่างจริงจังก็มีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการคอร์รัปชันหรือเกิดการทำผิดกฎหมายในรูปอื่น อันนี้เป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้คนถ้าเขาคิดว่าคอร์รัปชันไปแล้วไม่มีทางถูกจับได้เขาก็ยิ่งเกิดแรงจูงใจที่จะคอร์รัปชันเหมือนกับคนที่ฆ่าที่รู้ว่าฆ่าคนแล้วเนี่ยยังไงตำรวจก็ไม่จับหรือถึงจับก็เป่าคดีได้เขาก็ไม่มีอะไรที่จะระงับยับยั้งไม่ให้ลงมือฆ่า การฆ่าเป็นเรื่องง่ายถ้าเขารู้สึกว่ากฎหมายไม่จริงจังหรือว่าสามารถจะเป่าคดีได้ดการเคารพชัางก็เหมือนกันนะถ้าคนเขารู้สึกว่าถึงแม้จะช่อราด บ, บางหลวงแต่ว่ากฎหมายเอื้อมมือไม่ถึงเอื้อมมือไม่ถึงเพราะว่ามีเส้นสายใหญ่หรือเพราะว่ามีเงินมีเงินมากพอที่จะที่จะเป่าคดี หรือว่าเพราะกระบวนการยุติธรรมไม่มีประสิทธิภาพให้สิ่งเหล่านี้มันก็เท่ากับส่งเสริมโดยอ้อมให้คนคอร์รัปชันมากขึ้นนการทำกฎหมายนะให้ให้ให้ดีนะสามารถที่จะอุดช่องโหว่เพื่อไม่ให้คนทำผิด ลอยนวนรวมทั้งทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอาจจะรวมถึงการเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงมากขึ้นแต่ก็อย่างที่เราทราบวนะ่าบทลงโทษที่รุนแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหามากเท่าไหร่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มี งานวิจัยใดที่บอกเลยว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยมันจะทำให้การฆ่ากันหรือว่าอาญากรรมลดน้อยลงอันนี้ก็เพราะเราไม่จะคิดว่าถ้าเราเพิ่มโทษประหารชีวตเพิ่มโทษให้มีการประหารชีวิตแล้วเนี่ยอาญากรรมจะน้อยลงแต่ว่าการศึกษากฎหมายจาก และความเป็นจริงจากประเทศต่างๆรวมทั้งอเมริกาไม่ว่าตามรัฐต่างๆหรือภาพรวมรวมทั้งในประเทศอย่างจีนมันก็ยังไม่มีบทสรุปที่เห็นพ้องต้องกันเลยว่า <c oughs> การเพิ่มโทษหนักๆเช่นโทษประหารชีวิตเนี่ยจะทำให้การฆ่าหรืออาชญากรรมเนี่ยน้อยลงถ้าฉนั้นก็ฉันนั้นการเพิ่มโทษ ให้มันหนักก็ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยป้องปรามการคอร์รัปชันได้หรือเปล่านะซึ่งประเด็ดนนี้อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เป็นเช่นนั้นเนี่ยอาจจะอาตมาก็จะพูดในลำดับต่อๆไปซูคือว่ากฎหมายก็ดนะีการสร้างระบบให้เข้มแข็งก็ดีนะ ระบบที่โปร่งใสระบบที่มีการตรวจสอบไม่มีการรวมศูนย์ทำให้ไม่มีการแช่งนาจทำให้ไม่มีการาแช่งอำนาจในทางที่ผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะระงับยับยัง้งการคอร์รัปชันอาอตมาคิดว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้าระบบดีระบบโปร่งใสรวมทั้งมีกฎมีกฎหมายที่ดีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีการใช้บังคับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมันจะช่วยลดการคอร์รัปชันได้แต่ว่ามันยังเป็นแค่ปัจจัยเดียวยังมีปัจจัยอื่นนะที่สำคัญนะสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งนันคือ ทัศนคติทัศ น, ค ต, ศนคติหรือสิ่งที่อยู่ในหัวของเราในหัวของผู้คนพุทธศาสนานะท่านให้ความสําคัญว่ากับปัจจัยสองปัจจัยอยู่เสมอนะเวลาคนเราจะเป็นคนดีหรือไม่เนี่ยมีปัจจัยอยู่2ประการปัจจัยแรกเรียกปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกเช่นอะไรเช่นกัลยาณมิตรนะหรือสิ่งแวดล้อมที่ดี รนะวมทั้งการมีกฎระเบียบที่ดีด้วยเช่นพระเนี่ยนะพระเนี่ยอยู่ในชุมชนที่เรียกว่าสังฆะสิ่งที่ทําให้พระเนี่ยประพฤติตัวดีเรียบร้อยเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมเนี่ยส่วนนึ่งก็คือการมีกฎระเบียบที่เราเรียกว่าวินยัยนะพุทธศาสนาเนี่ยโดวยเฉพาะพระสงฆ์ในเถรวาทเนี่ยจะให้ความสําคัญกับวินัยมาก วินัยก็คือกฎระเบียบนั่นเองพูดง่ายๆนะทำไมพระต้องทำตามวินัยก็เพราะว่าการทำตามพระวินัยหรือที่เขาเรียกว่าศิกขาบทเนี่ยจะช่วยกล่อมเกลาพฤติกรรมกายวาจาให้ดีให้งดงามนะไม่ให้ไปเบียดเบียนใครสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะที่จำเป็นนะต่อการที่จะกำกับให พฤติกรรมของเราเนี่ยออกมาในทางที่ถูกต้องดีงามอันนี้เรียกวมๆว่าปัจจัยภายนอกนะปัจจัยภายในทางาพระถ้าเรียกว่าอยู่นิสโสมนัสิกการพูดง่ายๆคือธรรมะในใจ น, นั่นเองมีถ้าเรามีธรรมะในใจรู้จักคิดคิดถูกคิดเป็นมีสัมมาทิฏฐิ นะถ้ามีสองอย่างนี้ปัจจัยภายนอกคือกะะัลยาณมิตรรวมทั้งกฎระเบียบวินัยและปัจจัยภายในก็คือโยนิโสมนสิการหรือว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าธรรมะในใจเนี่ยก็จะทำให้มีวิถีชีวิตที่ดีงามนะมีการกระทำที่ดีงามก็คือมีศีล น, นะมีความซื่อสัุจริตนะเวลาเราพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยนะมันมันหมายถึงการประพฤติที่ไม่ดีงาม ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกคือกฎหมายคือระบบระเบียบนะคือโครงสร้างนะสำคัญมากนะถ้าเราดูอย่างประเทศยุโรปนะหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยมีมีมีการอาชญ า, า ก, กรรมน้อยเนี่ยนะจะได้ว่ามีระบบที่เข้มแข็งมากนะ อันนี้หมายถึงระบบในการระบบในทางนิติธรรมความยุติธรรมนะระบบที่เข้มแข็งชนิดที่เรียกว่าไม่รูปหน้าปัดจมูกปฏิบตัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคกันไม่ว่ารวยหรือจนรนะวยหรือจนทําผิดถูกลงโทษเหมือนกัน บางประเทศนะ่ะหนักกว่านั้นนะถ้ารวยมากนะถูกลงโทษหนักกว่าหนักกว่าคนจนนะเช่นอย่างประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยถ้าขับรถเร็วขับรถฝ่าไฟแดงหรือว่าจอดในที่ห้ามจอดเนี่ยรถที่เลยรวยนี่ถูกปรับในสัสดส่วนในจํานวนและสัด ส, ส่วนที่มากกว่ารถตนจ น, จนนะเขาถือว่ายิ่งรวยเนี่ยยิ่งต้องปรับให้หนักนะจะเรียกว่าไม่เสมอภาคก็ได้นะ แต่ก็ไม่เสมอภาพในทางที่จะลงโทษคนรวยมากกว่ามากกว่าคนจนไอ้ของไทยนี่ตรงข้ามนะคนรวยนี่ได้รับการยกเว้นแต่คนจนเนี่ยถูกลงโทษหนักแต่ประเทศเขาเจริญนี่ก็ตรงข้ามเลยนะยิ่งรวยนะถือว่ามีการมีความรับผิดชอบมากมีความรู้มากเนี่ยถ้าทําผิดจะว่าแต่กดจราจรหรือไม่ทั้งกฎกฎหมายหมิ่นประมาทหรือว่าอาจจะเป็นกฎหมายที่เป็น กฎหมายอาญาเนี่ยเจอโทษหนักหนักกว่าเพราะถือว่ามีความรู้ดีรู้ชอบมีความรับผิดชอบสูงกว่าผู้อื่นตอนนั้นเนี่ยเมื่อทําผิดจะต้องลงโทษหนักไอ้ระบบนนเนี้นี่มันทําให้การคอรัปชันหรือว่าการทําผิดกฎหมายในบ้านเมืองเนี่ยมันมันน้อยลงนะถ้าเทียบกับสังคมที่กฎหมายไม่เป็นรั้เป็นพายระบบนี่แปรปรวนนะแต่ก็อย่างที่ตมาบอกนะว่า มันไม่ใช่แค่นั้นมันอยู่ที่ปัจจัยภายในด้วยปัจจัยภายในก็คือทัศนคติทุกวันนี้เนี่ยนะ อ, อ, อะไรทาให้คนเนี่ยคอร์รัปชันมากขึ้นถ้าตอบอย่างกาปันทุเดีย ก, ก็เพราะว่ามีความหลงไหลในเงินตรามีความหลงไหลในวัตถุอาบขึ้นคือถ้าคนที่ไม่ลหลงไหลวัตถุไม่ลหลงไหลเงินตราเนี่ย ้เงินทองเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงดึงดูดจูงใจเขาได้เลยแต่สาเหตุที่ทำให้คนทุกวันนี้เนี่ยนะคอร์รัปชันกันมากไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามเนี่ยก็เพราะความลหลงไหลในเงินตราลหลงไหลในวัตถุนิยมและสิ่งที่มาซ้ำเติมมาย้ำทำให้คอร์รัปชันง่ายคอร์รัปชันมากขึ้ก็คือ ความต้องการรวยเร็วๆฝนระั่งหรือว่าคนญี่ปุ่นก็อยากรวยเหมือนกันนะแต่เขาเห็นว่าถ้าจะรวยเนี่ยต้องทําด้วยน้าพักน้ําแรงของเราแต่คนไทยเนี่ยนอกจากลหลงใหลในเงินตราวัตถุนิยมแล้วเนี่ยยังมีค่านิยมที่แพร่หลายไปด้วยว่าถ้าจะรวยต้องรวยเร็ว ๆ, ๆนะเราจะชอมนิยมทางรัดนะการนิยมทางรัดนี่เป็น กลายเป็นวัฒนธรรมคนไทยไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการขับรถนะหรือว่าการแซงคิวนะการแซงคิวนี่ก็ทางรัดนะหรือว่าการเข้าหาการพนันการพนันก็คือวิธีรวยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยรวยลัดหวยลอตเตอรี่ทำไมมันถึงเฟื่องฟูมากในเมืองไทยกเพราะว่า มันเป็นวิธีที่คนเชื่อว่าจะทำให้รวยเร็วรวยทางรัฐทำไมเด็กซื้อเกรดนะทำไมเด็กลอกข้อสอบ ก, ก็เพราะเด็กอยากจะได้คะแนนดีๆโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะทำไมนักศึกษาซื้อวิทยานิพนธ์หรือว่าจ้างคนทำวิทยานิพนธ์ไม่ว่าโทรหรือเอกนะก็เพราะว่าอยากจะได้ปริญญาเร็วๆโดยที่ไม่เหนื่อย และสังเกตทั้งหมดนี้มันต้องใช้เงินเงินมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายขึ้นมาอันนี้คือ่านนิยมนะที่มันกัดกร่อนจิตวิญญาณของคนไทยนะที่ทำให้ไม่รู้จักซื่อสัตย์จริตแล้วก็เห็นว่าความซื่อสัตย์จริทนี้เป็นความโง่นะจะต้องเหนื่อยทำไมอ่ะเพราะในเมื่อ ม, มันมีวิธีที่เร็วกว่า น, นั้นคอร์รัปชันก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่ทาให้ที่เกิดจากความเชื่อว่า ทำยังไงถึงจะรวยโดยที่ไม่เหนื่อยทำยังไงเงรวยได้เร็วนะอันนี้เป็นเป็นานิยมนะคราวนี้เนี่ยถามพุทธศาสนาจะมาจะมาช่วยอย่างไรได้บ้างนะพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการปรับเปลี่ยน แล้วก็พัฒนาทัศนคติการที่คนเราเนี่ยหลงไหลในวัตถุนิยมเพราะว่าเราเห็นแต่รสอร่อยหรือว่าเห็นแต่ข้อดีของมัน มองไม่เห็นข้อเสียนะสิ่งหนึ่งที่ทางพุทธศาสนาเนี่ยนะช่วยทําให้คนเนี่ยลงไหลในวัตถุนิยมน้อยลงทําให้คนเนี่ยมีความสุขในชีวิที่เรียบง่ายอย่างพระที่มาบวชเนี่ยนะแล้วก็บวชได้ได้นานบวชได้อย่างมีความสุขก็เพราะว่าท่านไม่มีความหลงไหลในวัตถนะุแต่ถ้าลงไหลในวัตถุเมื่อไหร่แม้จะคลองผ้าเหลืองนะก็ อาจจะไม่ได้ประพฤติตัวเป็นพระก็ได้อันนี้เราพูดถึงว่าทาไมนะพระจำนวนไม่น้อยเนี่ยท่านสามารถจะอยู่ได้ในในเพศนี้ในชีวิตแบบนี้โดยที่ไม่ได้รู้สึกทุกทุกร้อนหรือไม่ได้รู้สึกไมไ่รู้สึกว่าอยากจะร่ำรวยอยากจะมีเงินเหมือนคนอื่นเขาอันนี้เพราะว่าท่านเห็นโทษนะของวัตถุเห็นโทษของเงินตรา วัตถุและเงินตราจริงมันก็มีประโยชน์นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธแต่พระพุทธเจ้าตัดว่ามันมีโทษมากกว่าคุณเปรียบเหมือนกับจุดจุดคบไฟที่ทําด้วยยาแห้งเมื่อเราจุดคบไฟทําด้วยยาแห้งเนี่ยถามว่ามันให้แสงสว่างไหมแสงสว่างมันให้แต่ว่าแสงสว่างไม่ไม่ ไม่สว่างใสนะแล้วมีน้ำซ้ำมันมีควันมันมีควันที่ทำให้ระคายเคืองแล้วก็ยิ่งกว่านั้ น, นคือว่าถ้าจุดไปแล้วไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนะไฟมันก็จะลามมาไหมมืออันนี้พระเจ้าเปลี่ยนมันก็ว่าอา่วัตถุเงินตรานะหรือเอท่ที่ทางภาษาภระเรียกว่ากาม กามคือรูปลสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจนะซึ่งสมัยนี้ซื้อได้ด้วยเงินนะเพราะนั้ น, เ, นเงินก็ถือว่าเป็นส่วนของการมการมเนี่ยมันให้ความสุขก็จริงถึงเรียกว่ามีคำ ว, ว่าการ ม, มาสุขแต่ว่ามันให้โทษมากกว่าให้ทุกมากกว่ามันให้ทุ ก, ก, ก, ทกอย่างไรนะข้อแรกคือว่ามันไม่เที่ยงนะอันนี้คือคือสิ่งที่ ทำให้ความสุขของเราเนี่ยถ้าไปผูกติดไว้กับไว้กับการมาสุขเนี่ยความสุขเราก็ไม่เที่ยงด้วยนะค่าเงินเนี่ยมันเที่ยงไหมนะราคาหุ้นมันเที่ยงไหมวันนี้รวยหุ้นหลายสิบล้านพรุ่งนี้อาจจะเป็นหนี้หรือว่าจนลงไปเลยก็ได้เพราะว่าหุ้นมันราคาตกจะเหลือศูนย์ ทรัพย์สินเงินทองมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันจะเสื่อมมันจะสูญเมื่อไหรก็ได้เช่นไฟไหม้ถูกคนขโมยไปอันนี้ก็เช่นเดียวกับชื่อเสียงเกียรติยศและสถานภาพตำแหน่งนะตำแหน่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะอย่างพวกเราข้าราชการนี่ตำแหน่งสูงๆถูกย้ายหรือว่าถูกปลดเมื่อไหรก็ได้ หรืออย่างน้อยเนี่ยอายุ60ก็ต้องเกษียณนะอันนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลกกธรรมเป็นโลกกตธรรมคือมันเป็นอย่างนั้นเองถ้าเราความสุขของเราไปผูกติดหรือไปฝากไว้กับเงินทองนะของใช้หรือว่าสถานภาพเนี่ย ความสุขเราก็จะคลอยก็จะพลอยง่อนแง่นตามไปด้วยมันไม่ใช่สุขที่แท้นอกจากมันไม่เที่ยงแล้วนะมันยังมีปัญหาตามมาอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ถ้มีเงินก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขนะใครที่สวมกำไรทองหรือว่าสร้อยคอ ทองหลายบาทเนี่ยนะเวลาเดินไปตามท้องถนนในกรุงเทพหรือว่าเตินแถวแก้งครอเนี่ยมีความโปร่งโล่งเบาสบายหรือเปล่าต้องระวัดระวังใช่ไหมว่าใครก็จะมาฉกเอาไปหรือเปล่าใครก็จะมาป้นจี้เราหรือเปล่าอันนีเ้เรียกว่าทุกขนะ์ทุกข์ที่เกิดจากการมาสุดคือมันเป็นภาระมีเรื่องเล่า ว, ว่าสมัยหนึ่งในมี สมัยที่หลวงปู่หลวงปูด่ดูพรหมปันญด ย, ยังมีชีวิตอยู่นะหลวงปู่ดู่น่ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ท่านมรณภาพไปแล้ววันหนึ่งก็มีชายหนุ่มมากราบท่านแล้วก็บอกว่าเพิ่งไปชอาพราะอุปคุตมาหลวงพ่อก็ถามว่าเช่าไปทาไมเขาตอบว่าอยากรวยครับหลวงพ่อท่านก็เลยพูดเบาๆว่ารออวยกับสวยนี่มันใกล้กันนะ ไอ้ชายหนุ่มนั่งงงเลยหลวงพ่อหมายเขาไวายังไงทีนท่านก็บอกว่ามันเขียนใกล้มันเขียในยใคล้ายๆกันรวยกับซวยเสร็จแล้วท่านก็อธิบายต่อไปว่าเนี่ยไอ้รวยเนี่ยมันทุกข์นะไหนจะทุกเพราะต้องไปหามาทุกข์เพราะต้องรักษาแล้วถ้ามันสูญหายไปก็ทุกข์นะต้องกลัวคนมาแย่งชิงออกไปทุกข์มันไม่เนี่ยมันถ้าจะเอารวยเนี่ยนะมันทุกข์ ท่านแนะว่าให้เอาดีดีกว่าเอาดีคือความดีดีกว่าพึ่งพาวความดีดีกว่าจะพึ่งความรวยนะเราะนี้ทรัพย์สินเงินทองนี้นอกจากมันจะไม่เที่ยงนอกจากมันจะเป็นทุกข์เพราะเป็นภาระทั้งในการรักษาอ่านะทั้งในทั้งในการสแสวงหาสแสวงหาเสร็จได้มาก็เหนื่อยในการรักษาเดีย๋ยวนี้ คนที่คอร์รัปชันนี่มีความทุกข์มากนีในเรื่องการรักษ า, าไว้ได้เงินมานี่จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนอย่างเมื่อ 2- อสาปีก่อนนี้ได้ข่าวใช่ไหมฮะปลัดกระทรวงอะไรนะคมานาคมใช่ไหมฮะได้เงินมาหลายสิบล้านเป็นเงินสดกุ้มใจมากเลยจ้าเงินนั้นไปไว้ไหนดีสุดท้ายต้องเก็บไว้ที่บ้านเสร็จแล้วก็เรื่องก็แตกนะเพราะว่าโจรมันเข้าไปในบ้านไอ ลามันก็เลยกลายเป็นทุกขลาบไปเลยหลายคนมีปัญหามากนะได้เงินมาแล้วเนี่ยจะไปเก็บไปไหนแม้ว่าจะเป็นจะไม่ใช่เงินสดจะไปฝากไว้ที่สวิตส์ดีไหมหรือว่าจะไปฟอกทางทางไหนดีทุกทั้งนั้นนะยิ่งกฎหมายเดี๋ยวนี้ก็เข้มงวดมากการฟ้อกเงินกลายเป็นเรื่องยากคนที่ได้เงินมาในทางที่มิชอบเนี่ยร้อยล้านไม่ได้มีความสุขเลยนะ บางทีได้สองสาแสนยังมีความสุขมากกว่าเพราะว่ามันยังไปซุกไปซอดหรือว่าไปไปฟอกให้มันไม่มีคนเห็นได้นอกจากมันเป็นทุกข์นอกจากมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยให้ความสุขที่ได้จากวัตถุนเนี่ยมันก็เป็นความสุขแค่ชั่วคราวไอ้ตอนที่เราได้นี่มีความสุขนะแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยความสุขก็ค่อยๆลดลง สังเกตไหมเวลาเราซื้อเสื้อตัวใหม่เรามีความสุขไหมแต่พอพอผ่านไปเดือนนึงนี่เสื้อตัวนั้นไม่มีความหมายแล้วไม่มีสเสน่ห์ต่อไปแล้วอยากได้เสื้อตัวใหม่บางคนใส่แค่ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วความสุขจากเสื้อตัวใหมน่นี้มันชั่วครั้งชั่วคราวมากนะความสุขที่ได้จากเงินก็เหมือนกันนะ มันชั่วครั้งชั่วคราวแม้ว่าเงินที่ได้มันจะเป็นเงินก้อนโตก็ตามก็เคยมีการสอบถามคนที่ถูกลอตเตอรี่ในอเมริกาอเมริกานี่มันมีลอตเตอรี่เยอะมากนะทั้งสลากกินรวบสลากกินแบ่งโอ้แล้วก็สลากกินรวมนี่บางทีได้นี่เป็นพันพันล้านบาท น, นะของเรานี่แค่สองสมล้านหรือสิบล้านยี่สบล้านอย่างมาก ของค้านี่ถูกเนี่ยเป็นพันพนล้านเลยนะแล้วก็ไปสอบถามว่าตอนที่ได้เนี่ยมีความสุขแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย5เดือน6เดือน7 เ, เ, เดือนผ่านไปความสุขมีแค่ไหนก็พบ ว, ว่า 90% เซของคนที่ได้โชคลาภแบบนี้มาเนี่ยความสุขอยู่ได้แค่6เดือน ความสุขมันแค่หกเดือนนะความสุขที่ได้ที่ที่ได้เงินจากลอตเตอรี่เนี่ยนะพอได้มันก็ความสุขก็พุ่งพุ่งรูดเลยนะเสแต่แล้วพอผ่านไปหเดือนเนี่ยค่อยลดลงลดลงลดลงลดลงลดลงจนนั่งพอถึงเดือนที่หกเนี่ยความสุขมันจะเท่ากับตอนก่อนระดับความสุขจะเท่ากับตอนก่อนถูกความสุขมันไม่เที่ยงเลยนะมันประเดี๋ยวประดาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านไปหเดือนเนี่ย ไม่สุขแล้วแล้วทาอะไรแล้วเกิดอะไรตามมาอยากได้อีกเหมือนกับเราได้เสื้อตัวใหม่มาเราก็มีความสุขอยู่แค่เดือน2เดือนพอผ่านไป2เดือนเราอยากได้ตัวใหม่แล้วตอนที่เราซื้อ iPhone 5เรามีความสุขใช่ไ้ยฮะแต่ว่าพอผ่านไป6เดือนไม่เอาละอยากได้ iPhone 6 ไม่ว่าจะเป็นแก้เวเงินทองไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อร่อยเนี่ยความสุขเนี่ยมันมันชั่วคราวจริงๆคุณชอบอาหารอร่อยนะไม่ว่าจะเป็นนไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างส้มตาแปะซะหรือว่าพิซซ่าหรือว่าหูฉลามเนี่ยตอนที่กินครั้งแรกนี่อร่อยไหมถ้าคุณกินชามที่สองความอร่อยเป็นยังไง มันเริ่มลดลงใช่ไหมรสชาติยังเหมือนเดิมนะแต่ความอร่อยเนี่ยรู้สึกลดลงตอนที่กินมื้อแรกเนี่ยอร่อยถ้าคูกินมื้อที่สองมื้อที่สามเหมือนเดิมความอร่อยยังเหมือนเดิมไหมความอร่อยลดลงแล้วแล้วถ้าคุณกินอย่างนี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยความอร่อยเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นความรู้สึกเฉยเฉยถ้าคุณต่อกินต่ออีกอาทิตย์ที่สองเนี่ยจากเฉยเฉยก็เริ่มรู้สึกเอียนเริ่มรู้สึกเบื่อถ้ากินต่อไปอีก ก็เริ่มเอียนแล้วถ้าคุณตอกินต่อไปอีกนะไม่ใช่เอียนนะอาจเจียนไม่ใช่ว่าอาหารคุณภาพมันลดลงอาหารยังรสชาติเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกในใจคุณเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเจอแล้วเจออีกเจอแล้วจวีพูดอย่างพุทธศาสนาคือความสุขจากการ ม, มาสุขเนี่ยจากรวมทั้งจากเงินทองเนี่ยมันชั่วคราวซึ่งบางทีก็ไม่ไม่รู้แตคุมหรือเปล่านะบางคนนอุตส่าห์ไปคอรัปชันมาไปโกงมา ก็มีความสุขนะที่ได้มาแต่ว่าพอผ่านไปเดือนสองเดือนความสุขก็ลดลงรู้สึกเฉยๆแล้วเงินยังไม่ได้ใช้เลยนะแต่มันเฉยๆแล้วกับเงินล้านสองล้านหรือสิบล้านที่ได้มาความรู้สึกเฉยๆแต่ว่าไปสร้างบาปแล้วไปสร้างบาปกรรมแล้วหรือว่าไปทาผิดกฎหมายแล้ว ตอนนี้เริ่มเกิดความร้อนรุ่มขึ้นมานะความร้อนรุ่มความกังวลว่าทําไงดีเออถ้าความสุขมันยังมากเหมือนเดิมนะมันก็ยังพอหักกบลบนี้ไปได้แต่ความสุขเนี่ยมันเท่าเดิมแล้วมันเท่าเดิมก่อนที่จะได้เงินสิบล้านยี่สิบล้านมาความสุขมันเท่าเดิมแต่ความกังวลมันมากขึ้นเพราะว่าทําผิดกฎหมายทําบาปนะตรงนี้เนี่ยนะ คนไม่ค่อยเห็นคนไม่ค่อยตระหนักเพราะคนเนี่ยไปไปคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขแต่มองไม่เห็นว่าไอ้ความสุขที่จากจากการได้เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงและทำไงพอความสุขมาลดลงใช่ไ้ยก็ต้องอยากได้อีกเหมือนที่ซื้อได้เสื้อตัวใหม่มาดีใจประเดี๋ยวเดียวมันเฉยๆแล้ว ก็อยากจะซื้อใหม่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงหลายคนนะมีเสื้อผ้าเป็นร้อยเลยบางบางทีไม่ได้ใช้ก็เยอะนะรองเท้ามีเป็นสิบสิบคู่บางคนเนี่ยมีเป็นร้อยคู่ถามว่ามีเยอะๆนี่ทําไมไม่มีความสุขมีเยอะๆแบบนี้เนี่ยทาไมอยากได้อีกมีเป็นร้อยทำไมอยากได้อีกอ ก, อก็เพราะที่มีเนี่ยมันไม่สุขแล้ว มันอยากจะสุขใหม่ก็ต้องไปซื้อใหม่ฉั้นคนที่โกงเพราะขอรับชันเนี่ยนะเขจะมีความสุขชั่วคราวแล้วเขาจะเขาจะไม่มีความสุขความสุขมันจะเหือดแห้งไปทําให้เขาอยากจะไปโกงใหม่เพื่อจะได้มาอันนี้คือโทษของการมาสุขนะที่คนไม่ค่อยตระหนักแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้านี่สอนนะ ว่าไอสิ่งที่นี่ขนาดได้มาโดยวิธีการที่ชอบทำนะคือคุณได้มาพอาน้ำพันน้ำแรงหรืออาจจะพาะคุณไปขอเงินพ่อแม่มาซื้อนะเราตอนเป็นเด็กเราคงรู้ใช่ไหมฮะเราซื้อขอเงินพ่อแม่มาซื้อของเล่นแล้วเราก็ดีใจของเล่นนั้นแต่ความดีใจของเล่นนั้นมีก็แค่ไม่นานอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วเราก็อยากจะเราก็เบือ่อแล้วเราไปขอเงินแม่มาซื้อใหม่ แล้วเราก็ดีใจประเดี๋ยวดาวประเดี๋ยวปะดาแล้วเราก็เบื่อใหม่แล้วเราก็ไปซื้อใหม่แล้เ น, นี้ยแม้เป็นความสุขที่ได้มาโดยชอบทําเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงและยิ่งเป็นวิธีการที่ได้มาและถ้าเป็นความสุขที่ได้มาโดยไม่ชอบทําคือไปโกงไปคอร์รัปชันมาเนี่ยโอ้มันยิ่งมันยิ่งไม่คุ้มใหญ่นะถึงแม้ไม่มีคนจับนะไม่มีคนจับไม่ถูกจับ แต่ความร้อนรุ่มความกังวลนั้นก็มีอยู่แล้วนะถามาคุมไหนะไปทําชั่วมาได้ความสุขชั่วคราวแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยไม่สุขอีกแล้วนะไอ้เงินที่ได้มาจะใช้ก็ไม่กล้าใช้นะเพราะว่าใช้เดี๋ยวคนเขารู้ว่าเรามีเงินเยอะก็ต้องเก็บเอาไว้จะเก็บเอาไว้ก็ไม่ทําให้มีความสุขทําให้เป็นภาระอันนี้แหละคือโทษของการมาสุขนะที่ ที่คนไม่ค่อยได้ตันหนักนะอันนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเชื่อคนได้เห็นนะว่าไอ้การมาสุขเนี่ยมันมันมีโทษอย่างไรบ้างเนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยยับยั้งชั่งใจมากขึ้นว่า เ, เราจะเราจะเราจ ะ, เราจะทำชั่วเพียงเพื่อความสุขชั่วคราวแล้วต้องมีชนักติดหลัง ไปจนตลอดหรือเปล่าบางทีตลอดชีวิตเลยนะตลอดชีวิตเลยโกรงครั้งหนึ่งเนี่ยนะได้สุบชั่วคราวแต่ว่ามีชนักติดหลังไปตลอดชีวิตตอนตายนึกถึงความชั่วที่ได้ทําจิตก็กระสับกระส่ายพอจิตสุดท้ายเป็นอบายพอจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็ลงนรกเลย คุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเนี่ยทางพุทธศาสนาเราเชื่อเรื่มาจิตสุดท้ายเนี่ยสาคัญมากตอนจะตายเนี่ยคนเราเนี่ยไม่เพียงแค่หวังวังหวังว่าแค่ให้มีชีวิตที่ดีควรจะหวังการตายดีด้วยตายดีคืออะไรตายดีคือตายสงบตายดีคือว่าตายแล้วไปสุคติแต่คนสมัยนี้ไม่เชื่อเรื่องอ่าเรื่องสุคติเรื่องทุคตินะแต่ว่า มันก็มีตัวอย่างมากมายคนที่ทําชั่วมาแล้วก็พอตอนจะตายเนี่ยจีก็กระสับกระส่ายนึกถึงความชั่วที่ได้ทําคือบางคนเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้ขโมยนะอย่างเช่นบางคนที่เป็นนักตีไก่นักตีไก่ชอบชนไก่เนี่ยมีเพื่อนไลฟ์ฟังนะพ่อของเพื่อนเขาไลฟ์ฟังว่าพอจะตายเนี่นะพอไม่รู้ตัวแล้วนะทำไงเอามือเนี่ยชน เป็กพ่อเป็กพ่อเป็กพ่อแปลว่าอะไรตอนชนไก่เนี่ยมันชนไก่แล้วก็เป๊กพ่อเนี่ยเอามือชนกันเนี่ยจนเลือดไหลเลยนะตัวเลือดไหลก็ยังไม่เลิกนะมันห้ามไม่ได้เลยเพราะว่าตอนชนไก่เนี่ยทำแบบนี้เอาไก่ามาชนกันแล้วก็ตะโกนมาเป๊กพ่อเป็กพ่อพอตัวเนตายเนี่ยตัวเองกลายเป็นไก่ชนใช่เองเลย แล้วพอตายเนะียก็ชื่อว่าตายไม่ไม่ไปสุคติไปทุคติคนเราเวลาจะตายเนี่ยนะไอ้กรรมชั่วที่ทำเอาไว้เนี่ยมันมันก็จะพังพลุกออกมาบางคนก็เห็นหน้าคนที่ตัเองเคยฆ่าบางคนก็เคย ก, ก, ก, ก็ก็รู้สึกผิดที่ตัวงไปมีชู้แล้วก็ทิ้งไปมีแม่ไปทําผู้หญิงท้อแล้วก็ทิ้งผู้หญิงเอาไว้อทิ้งผู้หญิงไปพ่านไปห้สิบปีก็ยังก็ยัง ก็ยังกระสับกระส่ายนะพอรู้สึกผิดที่ทิ้งเมียและลูกเอาไว้ไม่เหลียวแลห้าสิบปีก็ไม่ใช่ลืมนะคิดว่าลืมที่ไหนได้มันโผล่มาตอนจะตายให้ความชั่วเนี่ยนะมันตอนที่ตอนที่สติยังดีนะมันอาจจะไม่มารบกวนจิตใจมากแต่ตอนจะตายนี่มันจะมาหลอกหลอนมันจะมา มันจะมาโผล่รังควานจิตใจอันนั้นแหละคือวิบากที่ที่มันจะจะปรากฏนะสำหรับคนที่ทำความชั่วและถ้าตายก็ไปไม่ดีถามว่ามันคุ้ ม, มคุ้ ม, มกับการที่ไปโกงมาไปคอร์รัปชันมามีความสุขแค่ 3-4 มเดือนนะดีใจที่ได้มาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เฉย แล้วก็ต้องมาอยู่ร้อนนอนทุกข์เพราะว่ากลัวความชั่วจะเปิดถูกเปิดโปงกลัวตารวจจับนะนอนแบบอยู่ร้อนนอนทุกข์และตอนจะตายก็ผวารู้สึกผิดอาตมาว่าถึงแม้จะโกงมาเป็นเป็นล้านๆนี่มันก็ไม่คุ้มเลยนะกับกับความสุขที่มันหดหายไปแล้วกักบ กรรมที่ต้องชดใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเป็นคนคนไม่ค่อยตอนหนักเท่าไหร่นะแต่ถ้าตนหนักเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ความอยากที่จะคอร์รัปชันนะมันก็น้อยลงถึงแม้โอกาสจะมีนะถึงแม้โอกาสจะมีโอกาสจะเปิดให้แต่ว่าความหยามก็ลดลงแต่ว่าเท่านี้ยังไม่พอนะ ถึงแม้จะเห็นโทษของการคอร์รัปชันเห็นโทษของความลุ่มหลงในเงินตราแล้วเนี่ยบางทีคนก็ยังยังทำชั่วอยู่บางทีคนก็ยังไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งคนก็ยังหลงอยู่รู้โทษเห็นภัยนี่ไม่พอนะถ้าใจเนี่ยมันยังหักห้ามไม่ได้เราเคยดีนสำนวนที่ว่า ดีชั่วรูปหมดแต่อดใจไม่ได้嘛เคยได้ยิน嘛คนที่กินเหล้านี่เขาไม่รู้หรอว่าเหล้านี้เป็นโทษนะแต่ว่าห้ามใจไม่ได้คนที่สูบบุหรี่เนี่ยไม่รู้หรอว่าบุหรี่เป็นโทษหน้าซองเนี่ยมันก็บอกใช่มั้ยว่ากินเศษบุหรี่แล้วเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นอะไรบ้างแต่ทำไมยังสูบอยู่เพราะห้ามใจไม่ได้นะ หลายคนก็รู้ว่ามีกิ๊กไม่ดีมีชู้ไม่ดีแล้วแต่ทําไมยังมีห้ามใจไม่ได้คอรัปชันก็เหมือนกันนะคอรัปชันเนี่ยหลายคนก็ จ, จะจะรู้ว่ามันมีโทษอย่างไรบ้างแต่ก็ยังทําหลายคนรู้ว่าโกงไม่โกงไม่ดีก็ยังทํานักเรียนรู้ว่าทุจริตข้อสอบในห้องสอบไม่ดีแต่ก็ยังทําลอกการบ้านเพื่อนรู้ว่าไม่ดีก็ยังทํา รู้ว่าเล่นเกมไม่ดีเล่นเกมแล้มันติดก็ยังทำนะเพราะอะไรเพราะว่าห้ามใจไม่ได้ดันั้นคนเราเนี่เพียงแค่รู้อย่างเดียวไม่พอนะใจมันต้องมีกําลังใจมันต้องมีกําลังสามารถจะหักห้ามใจได้อันนี้เป็นปัญหาคนสมัยใหม่มากนะคนสมัยใหม่เนี่ยจิตใจจะอ่อนแอนะรู้หมดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะแต่ว่าห้ามใจไม่ให้ทําชั่วนี่ไม่ได้ หรือว่าจะบังคับใจให้ทำความดีก็ทำไม่ได้จิตใจอ่อนแอเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่รู้จักเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งเราก็จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสได้ง่าย ภายภายต่อสิ่งยั่วยุยัย่วยวนง่ายๆจะต้องมีความรู้จักรู้จักหักห้ามใจทางพุทธศาสนาช่านใช้คำว่าขันติความอดกลั้นต่ออารมณ์อารมณ์ทั้งอารมณ์ภายนอกและอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกก็เช่นคำพูดคำจาคำด่าหรือว่าคำยัย่วยว น, นการยัย่วยวน แต่ว่าถ้าเรามีขันติเราก็อดทนไม่คล้อยตามไม่หวั่นไหวรวมทั้งเวลาเราเกิดความโกรธความอยากข้างในใจเนี่ยก็หักห้ามใจได้เช่นโกรธแต่ว่าบังคับปากไม่ให้พูดควบคุมวาจาไม่ให้ด่าหรือว่าควบคุมพฤติกรรมไม่ให้ไปทำร้ายเขาเห็นสิ่งที่เห็นเงิน มันกองอยู่เห็นเพชรนินจินดาคนเขาืรือมาไว้มันอยากจะเอาเพราะไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่ก็รู้จักหักห้ามใจนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนมันจะช่วยทำให้เราสามารถจะหันหลังให้กับโอกาสอันย้่วยวนหลายคนเนี่ยบอกว่าหลายคนไม่คอรัปชันเพราะว่าโอกาสไม่มี แต่โอกาสเปิดเมื่อไหรนะ่ก็ห้ามใจไม่ไดนะ้แต่ถ้าคนที่เขามีความรู้สึกสามารถหักห้ามใจได้เช่นเขามีขันตนะิเขาก็จะสามารถจะบังคับจิตใจไม่ให้ทำไม่ให้ไม่ให้คว้านะโอกาสเหล่านั้นหรือว่าคอร์รัปชัน นอกจากขันติแล้วนะสติก็สำคัญนะสติคือความรู้ทันรู้ทันอารมณ์รู้ทันความอยากนะบางทีความอยากนี่มันมันฉลาดนะมันพยายามที่จะสรรหาเหตุผลมาเวลามีความอยากเนี่ยบางทีเรารู้ทันนะแต่บางคนก็ไม่รู้ทันพออยากปุ๊บก็ทำปั๊บเลยโกรธปุ๊บก็ด่าปับ๊บอันนี้เพราะไม่มีไม่มีขันติแล้วก็ไม่มีสติสติคือรู้ทันอารมณ์ และรวมทั้งรู้ทันเหตุผลข้ออ้างที่กิเลสมันบอกด้วยแล้วคนเราเวลาทำชั่วนี่นะใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เห็นปุ๊บทำเลยนะมันก็ต้องมีอ้างเหตุอ้างผลนะคนที่คอรัปชันนี่เขาก็มีเหตุผลนะเขาก็จะมีข้ออ้างคอรัปชันเพื่อชาตินักการเมืองก็คอรัปชันเพื่อเอาเงินเนี่ยมา ให้พรรคการเมืองพรรคการเมืองที่ได้มีเงินเอาไว้หาเสียงเมื่อมีเงินหาเสียงมีเงินซื้อเสียงก็จะทําให้มีโอกาสได้มาเป็นรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลก็สามารถช่วยชาติได้ไงละ่ะเราจะช่วยชาติได้ไงถ้าเราไม่ชนะการเลือกตั้งแล้วเราจะชนะการเลือกตั้งได้ไงถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราจะมีเงินได้ไงถ้าเราไม่โกงเราไม่มีค่าคอมมิชั่นนี่เหตุผลดีๆทั้งนั้นใช่ไหมขอรับชันเพื่อชาติไง ไอ้เหตุผลแบบนี้เนี่ยน่คือคือสิ่งที่กิเลสเนี่ยมันเสกสรรปั้นแต่งเพื่อทำให้เราทำสิ่งทความชั่วนะคนที่ติดเหล้าเนี่ยนะก็มีเหตุผลนะและรู้ว่าเหล้าไม่ดีควรเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะมันก็มีเหตุผลอ่าพวกเรารู้จักเปียโปสเตอร์ไหม สมัยใหม่ๆคุไม่รู้จักแล้วเปียกโปสเตอร์นี่ก็เป็นนักสร้างหนังแล้วแต่ก่อยเขามีชื่อด้านการเป็นเขานับเขาวาดโปสเตอร์วา่าวาดใบปิดหนังหรือโปสเตอร์หนังถึงชื่อว่าเปียกโปสเตอร์เพราะเราว่าตอนนี้เขายังหนุ่มเนี่ยมีเพื่อนอยู่สองคนนะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเพื่อนทํางานหนึ่งในสองนั้นสองคนนั้นชื่อเกษียนวันหนึ่งสามคนเนี่ยก็ไปนั่งกินกินร้านอาหารเกษียนเห็นคนเมาก็เลยพูดขึ้นว่า ไอคนมานี่มันโง่ชิบหายเลยนะกินเหล้าให้เหล้ากินนะสองเดือนต่อมาสามคนนี้ก็ไปงานทําบุญบ้านของเพื่อนเพื่อนนี่เขาก็มีเลี้ยงโต๊ะโต๊จริงก็มีเอาเบียร์มาตั้งวางไว้โต๊ะทุกโต๊ะเลยสามคนนี้ก็อยากจะลองดูว่าเอ๊ยทําไมคนมันชอบเหล้ากันนักชอบเบียร์กันนักก็ลองชิมดูก็าบอก ทุกคนพูดมันก็รุนแรงทั้เกษียณบอกว่ามันฝืดฝืดมันเปรีป้ยวเรยวไม่เห็นหน่ากินเลยไม่กี่เดือนต่อมาขณะที่กําลังวาดรูปกันในสตูดิโอน ะ, กะเกษียณก็ไปบอกเด็กให้ไปซื้อเบียร์มาอเปียก็บอกว่าอา้าวไหนบอกว่าคนกินเหล้ามันโง่ไงแล้วทําไมไปซื้อเบียร์มากเกษียณก็บอกว่าไอ้เหล้าเนี่ยมันของพวกสตรุน แต่เบียร์เนี่ยมันของคนมีรถนิยมกินเบียร์แล้วผ่อนคลายนะหลังนั้นไม่นานเนี่ยผมบวกก่าใจกินเบียร์หนักมากเลยนะกินเบียร์ไปแล้วกินเบียร์เยอะมากวันไหนไม่กินเบียร์ก็ทํางานไม่ได้แล้วจู่ๆเนี่ยนะก็ไปเรียกเด็กมาให้ไปซื้อเหล้ามาเพเ่อเพืพเอเสิร์ก็บอกอา้าวทาไมกินเหล้า เเษียงก็บอกว่านายมีเหตุผลในเซนะ่เดี๋ยวนี้เรากินเบียร์วันละสีห้าขวดเนี่ยมันแพงนะแต่ถ้าไม่กินก็ทำงานไม่ไหวแต่ว่าเงินเรอ ง, งานแบบอาชีพแบบเรมันก็เงินไม่พอหรอกกินเบียร์วันละสี่ห้าขวดกินเหล้าเสียดีแค่เป๊กเดียวนี่อยู่เลยนะแต่ก่อนบอกว่าเหลาเป็นของสตรุนใช่ไหมแต่ตอนนี้ กินเหล้าจะช่วยทําให้ทํางานได้หลังนั้นไม่นานติดเหล้าหนักเลยแล้วต่อหลังก็อาัมาพาตแล้วก็ตายพเพราะเหล้าจากคนที่บอกว่าคนกินเหล้าเนี่ยโง่กลายเป็นคนที่ติดเหล้าเองนะเราเคยเจอคนแบบนี้ไหมอาตมาว่ามีเยอะเลยนะงนะแล้วจากคนที่ต่อต้านเหล้าเนี่ยกลายเป็นคนที่กินเหล้าเนี่ยมันก็ค่อยๆ ขยับเข้าหาเหล้าทิรนิตทีแรกก็เบียร์ก่อนนะเบียร์ก่อนเบียร์เป็นของเบียร์มันช่วยผ่อนคลายของคนคนชั้นสูงนะไม่ใช่ไม่ใช่เหล้าเหล้าของพวกสถุนนะตอนหลังเรกินเบียร์มากๆเข้าจากเบียร์เวลาขวดก็เป็นสีห้าขวดตอนนี้ไม่ไหวล้วเอาเหล้าดีกว่านะเอาเป็กเดียวนะเหล้าแค่เป็กเดียวดีกว่าเบียร์ห้าสี่ห้าขวดมันถูกกว่าตั้งเยอะ แล้วเป็นไงเขาหนี้แป็กเดียวหรือเปล่าเขาหนี้รอกเป็นขวดเลยคือเนี่ยมันคนเราเนี่ยกว่ามันจะกว่าคนที่กว่าคนเราจะติดเหล้าได้เ น, นะมันค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆไหลามาทีละนิดทีละนิดนะแล้วมันก็มีเหตุผลนะเหตุผลว่าเออเบียร์มันช่วยผ่อนคลายตอนหลังก็บอกว่าเหล้านี่ช่วยช่วยมันเหล้านี่มันถูกกว่าเบียร์ประหยัดกว่าแป็กเดียวก็พอตอนหลังนี่รอกันสีห้าขวดหรือว่าหลายขวดต่อวัน คนเวลาขอลับชันเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีขอลับชันเป็นเงินสิบล้านสิบล้านนะอาจจะเริ่มต้นจากทีละนิดทีละหน่อยนะเริ่มต้นทีละร้อยทีละสองร้อยนะนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะแค่นั้นเองหรือบางทีอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ไม่ใช่เงินแต่ว่าเข้าของเครื่องใช้ในสำนัก ง, งาน มันเริ่มต้นจากเข้าคนใช้ในสำนัก ง, งานเพราะว่าคนเรานี่นะระหว่างเอาเงินกับเอาของเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยกล้าเอาเงินหรอกแต่ถ้าเอาของเนี่ยเอาอันนี้เขามีการวิจัยมาเยอะแล้วนะพบว่าเนี่ยคนใหม่ใหม่หมสิ่งนี่นะจะเอาของจอาเงินจากเอาเงินของคนอื่นเนี่ยไม่เอาแต่ถ้าเป็นของใช้เนี่ยนะของของใช้บนโต๊ะเพื่อน ของใช้ที่ทํางานเนี่ยเอาเพราะว่าไม่เป็นไรเนี่ยยืมยืมกันยืมหน่อยอะไรเงี้ยนะมันจะมีเหตุผลเสียจะค่อยๆค่อยๆถลายไปเทเนิตเทเนิตเทเนิตเทเนิตนะทั้งที่อันนี้คือเหตุผลนันหนึ่งนะที่อ่าสติสําคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยนะเราจะเราจะเราจ ะ, เราจะถลําเข้าไป ในความชั่ว t ทเลนิตทเลนิตจกนกระทั่งทําสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่และที่มันถล่มไปทเลนิดเทลนิดพราะนเพราะมันมีมันมีข้ออ้างมันมีเหตุผลสวยหรูให้เราเนี่ยคล้อยตามเชื่อตามแต่ถ้ามีสติเนี่ยเราก็จะรู้แล้วก็ไม่ไม่คล้อยตามมันนั้นสติ้ขันติเนี่ยสำคัญมากนะฮะในการที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ไม่ไปไม่ไป อคลอยตามหรือว่าตกอยู่ในอำนาจของของกิเลเสเกษียนนี่นะเบ์โพสเตอร์เขาบอกว่าเนี่ยที่กเกษียนเป็นงี้เพราะว่าไปว่าคนเมามันก็เลยเข้าตัวแต่แต่ตมาว่ามันไม่ใช่นะแต่ที่กเกษียนทำเช่นนั้นเนี่ยพูดเช่นนั้นเพราะเขาประมาทเพราะคิดว่าเนี่ ย, ยกูไม่ เล้าเนี่ยมันเล่นงานได้แต่คนโง่แต่กูเนี่ยไม่มีอะไรเหล้าทําอะไรกูไม่ได้เขาประมาทเล่านะเขาคิดว่าเขาแน่นะเขาคิดว่าไอ้คนที่กินเล่าเนี่ยคือพวกโงแ่แต่แต่กูไม่เป็นหรอกนะไอ้คนที่เชื่อมั่นตัวแบบนี้เนี่ยนะเสร็จเล่าไปเยอะแล้วอาต่อมาเคยเจอ เคยเจอพระที่ต่อต้านเล่านะเขียนบทความวาดการ์ตูนเขียนหนังสือบรรยายอภิปรายเทศเสร็จแล้วพอสึกออกไปนะสิบกว่าปีก็ ก, ก็เมาเล่าเส็จแล้วก็่าตัวตายคงเพราะเล่าด้วยอันนี้มันเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์ว่าคนเรานี่ถ้าถ้าเราถ้าเราประมาทเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเราจะเสร็จมัน พุทธศาสนาจะเตือนมากเลยนะว่าอย่าประมาทเราจะไม่ประมาทได้ต้องเราต้องมีสติรู้ทันกิเลส ข, ของเราตรงนี้แหละที่มันช่วยทำให้ใจเราเนี่ยมีกำลังในการต้านทานกิเลส ข, ขันติกับสติปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในในโทษของของคอร์รัปชันไม่ลหลงไหลในอบายามุกแต่ทําำได้เนี่ย ต้องมีสติต้องมีขันตินะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะหันหลังให้กับการคอร์รัปชันหรือว่าหันหลังให้กับสิ่งร่เร้าเาย้ายวนเช่นเงินทองหรือว่ า, าวัตถุสิ่งนั้นคือว่าการที่คนเราเนี่ยพบความสุข จากภายในคนเราถ้ามีความสุขประณีตนะมันจะไม่มันจะไม่มไมห่วยหาความสุขจากวัตถุความสุขจากเงินตรามนุษย์เราต้องการความสุขแต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักความสุขชนิดใดเลยเนี่ยใจยเราก็จะโน้มเข้าหาความสุขจากเงินตราและเงินและความสุขที่เรียกว่าการมาสู่แบบนี้เนี่ยมันจะมีสเสน่ห์ต่อ มันจะมีสเสน่ห์แล้วก็ดึงดูดใจเราตลอดเวลาตราบใดที่เราไม่มีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่ามาทดแทนงั้นถ้าเามีความสุขที่ดีกว่ามาทดแทนนะความสุขจากความสุขทางใจเราจะหันหลังให้กับความสุขทางวัตถุได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเราเนี่ยจะจะเมินเฉย นะต่อโอกาสในการ corruption ทั้งๆ ท, ที่มีเนี่ยก็เพราะเรารู้ว่ามันมีความสุขที่ดีกว่าและไม่ใช่รู้อย่างเดียวเราเข้าถึงได้สัมผัสด้วยน่าจำเป็นมากนะที่พวกเราเนี่ยจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตความสุขจากชีวิต ท, ที่เรียบง่ายคนที่มีชีวิต ท, ที่ง่ายๆเรียบง่ายเนี่ยแต่ไม่มีความสุขนะ ใจมันก็จะโหยหาเงินทองความมั่งมีความร่ํารวยถ้าอยู่เรียบง่ายแต่ว่าอยู่แบบกัดฟันอยู่นะมันก็ต้องมีพลาดพลังสักวันแต่ถ้าอยู่ยังมีความสุขในชีวิตที่เรียบง่ายนะถึงแม้มีโอกาสก็ไม่ทำํำถึงแม้มีโอกาสจะโกงจะคอร์รัปชันก็ไม่ทําเพราะรู้ว่ามันไม่คุ้ม แล้วก็รู้ว่าไม่อยากจะเอาความสุขที่ดีกว่าไปแลกกับความสุขที่มันหยาบกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นการท้าทายคนสมัยนี้เพราะคนสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยรู้จักความสุขที่ปัญนียิ่งเด็กสมัยนี้เนี่ยไม่เข้าใจหรือว่าไอ้ความชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยมันสุขกว่ายังไงเหมือนกับที่หลายคนไม่เข้าใจว่าพระเนี่ยมีอยู่แบบนี้เนี่ยมีความสุขกว่ายังไง อัตอมาก็เคยเป็นนะเคยไปเยี่ยมพระที่เป็นรุ่นพี่ที่สวนโมกภุมเรียงแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านอยู่แบบนี้ท่านจะมีความสุขเหรอปีใหม่ก็ไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปกินเลี้ยงแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรเราไม่เข้าใจนะเราคิดว่าชีวิตแบบเราคารวะมีความสุขนะแต่ถ้าเกิดว่าพอเรามาบวชเองนะก็จะรู้ว่าเออชีวิตแบบพระนี่มันมีความสุขนะมันไม่ต้องมีโทรทัศน์ไม่ต้องมี ต้องไป ไ, งไปเที่ยวห้างไม่ต้องไปช้อปปิง้งฟังเพลงเลี้ยงฉลองก็มีความสุขได้สุขจากอะไรนะสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายสุขเพราะสันโดษนะไอชีวิตที่เรียบง่ายนี่มันก็สุขนะคือป็นสุขที่เป็นความสงบไม่วุ่นวายไปกับการใช้การเสพชีวิตสมัยนี้นี่บางทีมันเหนื่อยนะสิ่งเสพเยอะมากเลย แล้วเดี๋ยวนี้หาเวลาว่างไม่ได้นะเวลาว่างจะคุยกับเพื่อนยังไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเอาแต่ก้มหน้าเล่นลายเล่นแชทนะไปกินข้าวแทนที่จะมีความสุขกับได้ฟังเพลงที่เพราะก็ก้มหน้านะอยู่กับเครื่องแล้วก็หาเวลาว่างไม่ได้เลยนะช่อแบบนี้นี่มันทําให้วุ่นนะ ชีวิตนี้จิตทำให้จิตมันบุ่นคนสมัยนี้ไม่รู้จักความสงบเพราะว่ามันมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมาแย่งเวลาไปจนกระทั่งแม้แต่จะกินจะนอนก็ยังไม่มีเวลานอนก็นอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอนี่ถ้าเกิคนเรานี้ได้ได้รู้จักกับความสุขที่ประณีตเช่นความสุขจากชีวิตที่เรียบง่าย ความสุขจากการได้ทําสิ่งที่ชอบและมีคุณค่านะอันนี้การทํางานก็มีความสุขเหมือนกันนะให้ความสุขได้เหมือนกันถ้าถ้ามพุทธเจ้าชี้ก็ว่าสุขแท้ม่อยู่แต่ในงานสุขแท้ม่อยู่แต่ในงานนะคือทํางานแล้วมีความสุขคนเราถ้ามีความสุขกับงานนะมันไม่ไม่ค่อยสนใจนะกับเรื่อง ชื่อเสียงเกติยศรางวัลเท่าไหร่เด็กที่มีความสุขกับการเรียนนะเขาไม่ค่อยแขร์เรื่องคะแนนคะแนนนี่เป็นเรื่องรองเขามีความสุขราช ก, การที่เขาได้ความรู้ยิ่งเรามีความสุขกับงานการเนี่ยเราจะเราจะไม่ค่อยหวั่นไหวไปกับเรื่องการแข่งขันได้หน้าได้ตาแย่งชิงหน้าตากัน นภาษาอะไรกับเรื่องของการการเอาเปรียบหรือคอร์รัปชันความสุขจากสมาธินะก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งรอเราเย้ายวนทางวัตถุคนที่พบกับความสุขทางสมาจากสมาธินี่จะรู้สึกเลยว่าสุขเพราะเที่ยวห้างสุขเพราะได้กินอาหารที่อร่อยสุขเพราะฟังเพลง สเพราะได้สภายกระเป๋าแบรนด์เนมมันเทียบไม่ได้เลยและเพราะเห็นนี้แหละนะก็จะทำให้ใหแรงจูงใจที่จะไปไปคอร์รัปชันเนี่ยมันแทบจะละศูนย์เลยนะเพราะว่ามันไม่คุ้มกันนะได้เงินมาแต่มีความทุกข์ทาวอนโดยที่ความสุขก็แค่ชั่วคราวแต่ทุกข์ทาวอนเนี่ยไม่คุ้มกันเลย อันนี้คือคือสิ่งที่พุทธศาสนาจะช่วยได้นะพุทธศาสนาจะช่วยเสริ ม, เ, รมเติมพวิคุ้มกันในจิตใจไม่ว่าจะเป็นขันติสติหรือว่าความสุขนะที่ทำให้เราไม่หวั่นไหวนะไปกับเงินตราหรือว่าวัตถุ แม้แต่การจะทุ่มแม้แต่การจะทุ่มเทชีวิตเพื่อไปหาเงินตราโดวยวิธีการที่ถูกต้องถูกกฎหมายยังไม่ทำเลยนักภาษาเหล่าการที่จะใช้วิธีที่ผิดกฎหมายเพื่อจะได้เงินตราได้วัตถุสิ่งเสพมาสิ่งนี้เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นมิติด้านจิตใจนะที่ที่ที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดมีขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะถ้าเราได้เห็นได้ไประจักษ์จาใจของตัวแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถสอนลูกสอนหลานได้แล้วก็สามารถที่จะชักชวนผู้คนให้ใ ห, ให้ได้สัมผัสกับสิ่งเดียวกับสิ่งที่เราได้ได้พบสิ่งนี้มันจะเป็นหลักประกันในการต่อต้านคองรับใช้อย่างแท้จริงนะเป็นการต่อต้านโดยที่ไม่ได้ต่อต้านเลย เพราะเพียงแค่เห็นถึงอนิสง์ของของธรรมะความซื่อสัสตย์สุจริตแค่นี้มันก็เป็นการต่อต้านไปในตัวแนละ้ว